ขอนอบร้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมาราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปจะเป็นสุททิกปราจิตตีในวัคที่เจ็ดชื่อว่าสัปปานักาวัประดับด้วยสิกขาบทสิบ สังเกตจากปานาคิฐานบทที่หนึ่งความว่าทิศตใดแกล้งฆ่าสัตว์เตี้ยรฉานที่เป็นอยู่แม้เด็กเท่าไข่เลือดไข่เหาหรือใหญ่ก็ดีให้ตายเป็นปาจิตตีอย่างเดียวก็แต่ในจับใหญ่เป็นอาปุสโลกรรมใหญ่เพราะประโยคใหญ่ในสัตว์มีชีวิตสงสัยอยู่หรือไม่ใช่สัตว์มีชีวิตสำคัญว่าสัตว์มีชีวิตหรือสงสัยอยู่เป็นทุกกฎ รู้ว่าไม่ใช่สัตว์เป็นอนาบัติไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ไม่ประสงค์จะให้ตายและพิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอนาบัติวิเนชัฉนอกนั้นมีในดังกล่าวแล้วในมนุษยวิกะหะปร า, ราชิตก็คือข้ามนุษย์นั่นเองสมุดท้ายก็เหมือนกับอธิน า, าทานสิทธาบทนะแต่ว่าสิทขาบทนี้เป็นอุปสรจิตทุกเวทนาถ้าเป็นอธินาทานนั้นมีเวทนาสามอุปสริจิตเวทนาสาม เป็นกิริยาสัจจติเป็นสัญญาวิโมกเป็นโลกประชารายกรรมวิจกรรมอกุศรจิตเป็นทุกเวทนาข้อนี้ต่อไปในสัปานากักกสิทธาบทที่สองความว่าพิกสุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์สัตว์จะตายด้วยการบริโภคน้ำนั้นและเธอก็บริโภคน้ำนั้นคือดื่มกินและอาบล้างภาชนะรถเทใดๆก็ เป็นปาจิตตีทุกๆประโยคเลยเวเนชั ย, ยนอกนั้นในสิขาบทนี้พึงรู้โดยในกล่าวแล้วในสินชนะสิขาบทนั่นเองดังั้นการใช้น้ําก็จะมีสองข้อนะข้อแรกว่ารดน้ําลงที่หญ้าหรือดินอันนั้นก็เป็นปาจิตตีเหมาาือนกันก็อี่สองก็บริโภคน้ํามีตัวสัตว์ถ้ารดน้ํามีตัวสัตว์รู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์รดลงในหญ้าหรือดินเป็นปาจิตตีอันนั้นอยู่ในอยู่ในภูตขามวักแต่ว่า สิกขบทนี้บรรพกน้ำมีตัวสัตว์อยู่ในสปานกาวะคุละวะกันแต่ว่าในภูตกคามาวะข้อที่สิบสันจินเจนะก็สมุทฐานเหมือนกันก็คือเป็นอจินอาทานสมุทฐานเหมือนกันสมุทฐานสามกายจิตปราชาจิตกายปราชา์จิตแล้วก็เป็นกิริยาสัญญาวิโมสกสจิตตกะเป็นปันนติวัชชะกายกรรมจีการมีจิตตามเวิถีธนาสามเหมือนกันในอุโกโตนะสิกขาบทฝืนอจิกรที่พระธรรมอีก เพื่ออาธิกรที่ทำเสร็จแล้วตามทําเพื่อทําอีกในขั้นตอนที่สามคำว่าอาธิกรสี่ก็คืออาธิการหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงฆ์เนี่ยวิวาธาธิกรทุ่มเถียงแก่งแย่งกันด้วยธรรมวินัยนี่ชื่อว่าวิว า, าทาธิกรความวิวาทกันโจทด้วยศีลวิบัติอาจารยวิบัติทิศถิวิบัติอาชีววิบัติอันใดอันหนึ่งชื่อว่าอานุว า, าทาธิกรเรื่องก็คือการโจดกัน ถ้าวิว า, าทิจารก็คือเรื่องราวมาถึงการทะเลาะวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยอาบัตทั้งเจดกองอันใดอันหนึ่งซึ่งที่สูกต้องเขาแล้วชื่อว่าอาปัตตาทิจารอาปโลกนกกรรมยัตติกกรรมยัติทุติยกรรมยัติเจตุติกรรมทั้งสี่นี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสงสงจะพึงทำชื่อว่ากิจจารทิจารกิจที่สงจะต้องทำเช่นการบวชพระธรรมกถิน อุโบสโถปรณาพวกนี้เป็นสังฆกรรมเด่นกิจจาริกรถ้งั้นอธิกรณ์สี่นี้อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นสงรมงับแล้วด้วยสมถะเจ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กรณั้สมถะเจ็ดก็เครื่องระงับอธิกรณ์เ็ดอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งระงับโดยธรรมแล้วที่จุใดรู้อยู่ว่าสงรมงับแล้วและไปตู่สำนักที่จุนั้นๆกล่าวว่ากรรมซึ่งระงับอธิกรณ์นั้นสงทําไม่ดีต้องทําใหม่เป็นต้นดังนี้แล้ว ก็เลิกถอนเสียเพื่อจะทำไหม่เป็นปาจิตตีในกรรมเป็นธรรมสงสัยอยู่ก็ดีในกรรมไม่เป็นธรรมสำคัญว่าเป็นธรรมหรือว่าสงสัยอยู่ก็ดีเป็นทุกกฏสำคัญว่าไม่เป็นธรรมในกรรมนั้นๆและรู้อยู่ว่าสงทากรรมไม่เป็นธรรมหรือเป็นวัตหรือทำแก่คนไม่ควรแก่กรรมและปิฏุเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอบัตขาบทข้อนี้ก็เป็นหานนติกะใช้ให้ไตรื้อันไม่เป็น ต้องตัวเองไป ท, ำทํำเองมีองศาญก็คืออธิกรสงรมงับแล้วตามธรรมอย่างหนึ่งรู้อยู่อย่างหนึ่งแล้วก็เลิกเสียอย่างหนึ่งก็คือฟื้นนั่นเองพร้อมด้วยองศาญนี้จึงเป็นปัญจิตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินนาฐานสิกขาบทแปลกแต่ข้อนี้ก็เป็นทุกขเวทนาสมุทฐานสามเหมือนอธินนาฐานก็างกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตในทุทตุลละปฏิจฉา d นะปกปิดอบาช่วยยาสิกขาบทที่สี ความว่าพิจูดายรู้อยู่ว่าทีกจุอื่นต้องทุดถุนลาบัติคือสังฆทิเศตและช่วยปิดอาบัติแห่งพิจุนั้นไว้ด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งต้องพาจิตตีถ้าปลงธุระเสียว่าจะไม่บอกและภายหลังกลับบอกก็ชื่อว่าต้องพาจิตตีแล้วแล้วก็กลับบอกถ้าปลงธุระเสียดังนี้แล้วบอกผู้อื่นเพื่อจะให้ปิดแหนผู้อื่นก็บอกเพื่อจะให้ปิดโดยอุบายดังนี้ แม้สมณะร้อยหนึ่งเมื่อเงื่อนยังไม่ขาดตราบใดก็คงต้องดูตราบนั้นก็คืออบัติทุกคนเลยถ้าไปบอกเขาว่าคุณคุณที่สูตรูปนั้นเนี่ย น, นะต้องอ ბ ัตสำคัญพิเศษอย่าไปบอกใครนะอันนี้ก็คนบอกนี่ก็ปิดอบัตนะนะต้องอบัปตปฏิจตีพระที่สุตที่ได้ยินแล้วก็ไปบอกรูปอื่นมาท่านท่านให้สูตรรูปนั้นต้องอ ბ ัตสำคัญพิเศษอย่าไปบอกใครนะเป็นอบัติปฏิจตีไปเรื่อยเลยไปบอกให้ปิดบอกให้ปิดเนียนะ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 สงสัยอยู่หรือว่าสําคัญว่าใช่ทุตุลระบัติก็คือเข้าใจว่าไม่ใช่ทุตุลระบัดระบาดช่วยยาเป็นทุกกฎถ้าไม่ใช่ทุตุลระบัาดในอันใช่ทุตุลระบัติก็คือไม่ใช่ทุตุลระบัติเป็นติดกับทุกกฎช่วยปิดอัาจฉารย์ช่วยยาและไม่ช่วยยาแห่งอนุสัมพันเป็นทุกกฎอย่างเดียวคิดว่าการทะเลาะวิวาสจะมีแก่สองหรือคิดว่าผู่นี้ร้ายกาดยาช้า จะทำอันตรายแก่ชีวิตและพรมจรรย์ดังนี้แล้วไม่บอกนิ่งไว้ก็ดียังไม่เห็นพิสูจน์ที่สมควรก็ยังไม่บอกหรือไม่ปรารถนาจะปิดและนิ่งอยู่ไม่บอกด้วยคิดว่าเธอจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองและพิสูจบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตสิกขาปัจจานี้ก็เป็นอนานาติกะใช้ให้ทาไม่เป็นต้องทาเอง มีองสองก็คือรู้อยู่ว่าอุปสัมบัติต้องทุทตุลาบัตอบัตหนักอบัตทั่วญาตแล้วก็อันที่สองก็คือปลงธุระเสียว่าเราจักไม่บอกแก ผ, ผู้อื่นด้วยหวังจะช่วยปิดไว้พร้อมที่องสองนี้จึงเป็นปัจจิตตีเป็นสมนุปาสนาสมุธฐานอาบัตเกิดแต่กายวาจาจิตสมุธฐานเดียวกายวาจาจิตเป็นกิริยา สัญญาบิโมกส จ, จิตกะโลกวัชชะเป็นกยายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตทุกขเวทนาต่อไปในโอนะวีสติวะติขาบทที่ห้าความว่าเพียรสุดายรู้อยู่และเป็นอุปชาให้บุคคลมีปียี่ิบตั้งแต่ถือปฏิทินที่มายังย่อนอยู่ยังไม่เต็มอุปสมบทเป็นนิจุเป็นป่าชิตตีก็คือถ้าอายุยังไม่ครบยี่สิบตั้งแต่ปฏิทินที่เนี่ยนะ ถ้ารู้อยู่แล้วให้บวชต้องบัตจิตีสำนับุปชานทิตุนอกนั้นผู้เป็นคณะปกรอทั้งหมดต้องทุกข์กตส่วนบุคคลนั้นแม้อุปชาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามให้อุปสมบทเข้าคงไม่เป็นอุปสมบันิถ้าไม่ครบยี่สิบปีนี้บวชแล้วยังไงก็เป็นสมณีนไปถ้าแล้วผู้นั้นล่วงสิทธิภาษาไปเป็นอุปชาให้กวรบวชอื่นอุปสมบทถ้ายกอุปชานั้นเสียคณะปกครบไสผู้อุปสมบทใหม่ชื่อว่าเป็นอุปสมบัติ ถ้าพระสุเสร็จรูปขึ้นไปยกเว้นอุปชาแล้วเนี่ยนะไปบวชให้คนอื่นอุปชาถึงแม้ไม่เป็นพระก็จริงแต่ว่าบวชให้คนอื่นก็คนอื่นก็ยังเป็นพระอยู่อุปสมบทแล้วด้วยดีแม้ผู้ที่ไม่เป็นอุปสัมบัตินั้นยังไม่รู้ตัวตราบใดยังไม่เป็นอันตรายแก่สวรรค์และนิพพานแก่ผู้นั้นตราบนั้นรู้แล้วพึงอุปสมบทเสียใหม่สมุทฐานก็สามเหมือนกันเหมือนทินนาทานจุคาบทกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยา ญญ ก, กัญวมโมกสจิตตะกาปันนติปะ ช, ชะขยกิกรบัญชีกรรมแล้วก็จิตสามเวทนาสามต่อไปเถยยะสัทธะสิคราบทที่หกความว่าโจรทําโจรกรรมแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทําก็ดีบุคคลหลอกลวงพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าคนอ้อมดานสนอนก็คือไม่ยอมเสียภาษีให้เนี่ยพวกใดพวกหนึ่งเป็นพวกเดินทางชื่อว่าเถยยะสัทธะพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจรเนี่ยนะ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 เมื่อร่วงอุปจาระบ้านอื่นในเท้าทีแรกเป็นทุกกฎในเท้าที่สองเป็นป่าจิตติเดินทางป่าไม่มีบ้านตัวงกึงโยต์แต่กิโรเมตรก็เหมือนกันนะเป็นอบัตมากน้อยนับด้วยการลงอุปจาระบ้านอื่นและล่วงกึงโยต์มนุษย์ไม่ได้ชักชวนก็คือพวกโจร น, นั้นก็ไม่ได้ชักชวนเที่ยงตชักชวนเองข้างเดียวหรือว่าเป็นหมู่โจรเที่ยงตสงสัยอยู่หรือไม่ใช่หมู่โจรแต่จำเขาต้องเป็นหมู่โจร และสงสัยอยู่ก็ดีเหล่านี้เป็นทุกข์กดถ้าพวกมนุษย์เขาไม่ได้ชวนพิษุกกูไปชวนนี่นะก็ต้องบัตรทุกข์ถ้าชวนทั้งสองฝ่ายก็อบัติปฏิตีที่สุดสําคัญว่าไม่ใช่หมู่โจก็ดีไม่ได้ชักชวนเป็นแต่เดินไปด้วยกันหรือมนุษย์ชักชวนข้างเดียวผู้โจรก็ชักชวนข้างเดียวพิษสูไม่ได้ชักชวนและไปผิดสังเกตต่างก็คือนัดกันแล้วก็ไปไม่ตรงเวลากันหรือว่าชักชวนกันไปเพราะว่ามีอันตราย และที่ถูกเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตก็คือไม่เป็นอนบัตสิกาบทข้อนี้ก็เป็นอนานัติกะมีองค์สี่ก็คือเป็นพวกโจรอย่างหนึง่งรู้อยู่แล้วก็ชักชวนกันทั้งสองข้างอย่างหนึง่งไปร่วมอุเจาราบ้านอื่นหรือว่าร่วงกึงโยดไม่ผิดสังเกตอย่างหนึง่งพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตีเป็นเยะสัทธสมุทฐาน มีสูตรฐานสองก็คือเกิดแต่กายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่ามีการชักชวนกันสัญญาวิโมสกสจิตตะต้องรู้มีเจตนาในการที่จะชักชวนเดินทางปันนติวัชะแล้วก็กายกรรมจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามต่อไปในสังวิธานตะิขาบทที่เจ็ดความว่าพิจูดชักชวนหญิงผู้รู้ความ และหญิงก็ชักชวนด้วยกันทั้งสองข้างเดินไปทางเดียวกันไม่ผิดสังเกตการเป็นอบัตทุกกดและปาจิตตีดังกล่าวแล้วในสิคาบทกรในมาตุคามเป็นติกาปาจิตตีในนางยักษ์ละนางเปรตและบันดอกและสัตว์ประหลาดตัวเมียมีกายดังมนุษย์เป็นทุกกดเพกตุชักชวนข้างเดียวหญิงไม่ได้ชักชวนหรือไม่ใช่หญิงแต่ว่าสําคัญว่าเป็นหญิงหรือสองสัยอยู่เป็นทุกกด รู้ว่าไม่ใช่หญิงเป็นอนาบัติในอนาบัตนอกนั้นเหมือนสิขาบทกรยกแต่อันตรายอย่างเดียวเป็นอนานัติกะนะก็คือใช้ให้คนอื่นไปชักชวนนี่ไม่เป็นอนาบัตมีองค์สามก็คือชักชวนด้วยกันทั้งสองข้างแล้วก็เดินทางไปอย่างหนึ่งให้ติดสังเกตอย่างหนึ่งร่วงอุปจาระบ้านหรือว่าร่วมถึงโยอดคือแปดกิโลเมตรขึ้นไปเนะี่ยอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็น ปัจจิตีถ้าทียสัทชักชวนพวกโจรพวกต่างผู้เป็นโจรเนี่ยนะเวียนต่างผู้เป็นโจรนี่มีองค์สต้องเป็นพวกโจรด้วยรู้อยู่ชักชวนกันทั้งสองข้างล่วงอุปจารระบ้านอื่นไปแล้วก็หรือว่าล่วงถึงโยตไปแล้วก็ไม่ผิดสังเกตด้วยแต่ว่าชักชวนมาุขามนี่มีองค์สามเท่านั้นก็คือชักชวนด้วยกันทั้งสองข้างแล้วก็เดินทางไปอย่างหนึ่งไม่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งแล้วก็ล่วงอุปจารระบ้านหรือว่าล่วงถึงโยตไปพร้อมด้วยองศ์สามนี้ก็เป็นปัจจิ ต, ตี อันนี้เป็นอัถนาสมุทฐานอัถนาสมุทฐานมีสมุทฐานสก็คือเกิดจากกายอย่างหนึ่งเกิดแต่กายวาจาอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดแต่ตายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่ามีการชักชวนกันโนสัญญาวิโมกขจิตตะเป็นปันนติวัชชะชักชวนผวกโจรนี้ต้องเป็นขจิตตกะเป็นสัญญาวิโมกแต่ว่าชักชวนมาุขามนี้เป็นขจิตตะเป็นโนสัญญาวิโมกแล้วก็ปันนติวัชชะเป็นกายกรรมจิตกรรมีจิตตามเวทนาตามเหมือนกัน ต่อไปในติขาบทที่แปดอริฏฐาติขาบทความว่าทิคตุใดมีทิฏฐิความเห็นผิดว่าสัมผัสหญิงไม่มีโทษเหมือนสัมผัสเครื่องลาดอันอ่อนไม่เห็นโทษในการล่วงเมถุนดังนี้ก่าวตูพระพุทธเจ้า ว, ว่าอานาวีติกรมันตรายการก้าวล่วงสิขาบทบัญญัติดังยินดีในสัมผั ส, สตรีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายแก่สวรรค์นิพพานนั้น เราเห็นว่าไม่เป็นอันตรายแกคนผู้ยินดีสัมผัสตรีเธอล่าวดังนี้ให้พิจูตทั้งหลายอื่นซึ่งได้เห็นได้ยินพึงแสดงโทษของการระคุณห้ามปราหม์เธอเสียสองครั้งสามครั้งเมื่อเธอไม่สละทิฏฐินั้นเสียต้องอบัติทุกฏกแม้พูดที่ได้ยินแล้วไม่ห้ามก็ต้องอบัติทุกฏเหมือนกันแม้เธอไม่ตละแล้วพึงพาตัวไปในถ้ำกลางสง์ห้ามปราหมณ์อีกครั้งเธอไม่สละก็ต้องทุกฏกอีก เมื่อเธอไม่สละดังนั้นสงฆ์พึงสวดสามนุภาพคือประกาศห้ามเธอสามครั้งด้วยยติจจตุกรรมวาจาเพื่อจะให้สละทิฐินั้นเมื่อเธอไม่สละเสียต้องทุกกดในขณะจบยติที่หนึ่งและในขณะจบอนุสาวนาที่หนึ่งที่สองเมื่อจบอนุสาวนาที่สามต้องปาจิตตีถ้าจบอนุสาวนาที่สองนี่ก็ต้องอาบัตทุกกด อ, อนุสาวนาที่สามจบก็อบัตปาจิตตี สิกขาบทนี้ก็เป็นสามนุภาพสมุธฐานเกิดทางกายวาจาจิตสมุธฐานเดียวเป็นอากิริยานเพราะว่าไม่กละทิฐิสัญญาวิโมกข จ, จิตกะโลกวะชะกายกรรมจีกรรมแล้วก็เป็นอารมณต่อลทุกเวทนาแสดงว่เาเกิดกับโทสัตต์ต่อไปอุคิตะสัมโพคัสสิกขาบทที่๙ความว่าพิสุใดต้องอุเคปนิยกรรมก็คือถูกท่งยกวัด เพราะไม่เห็นอาบัตไม่แสดงอาบัตเสียหรือไม่กระติดติดสามอย่างนี้จำพวกใดจำพวกหนึ่งสงยังไม่ระ ง, งับกรรมนั้นให้แล้วพิสุใดรู้อยู่ดังนี้และทำอามิตสสามโพคะก็คือให้อามิตรหรือว่ารับอามิตรกับเธอนั้นหรือทำธรรมะสัมโพคะคือสอนธรรมเรียนธรรมกับเธอนั้นประดีทำสังฆกรรมเป็นต้นว่าอุโบสถและปวารณาด้วย และนอนในที่มุงบังอันเดียวกันแม้มีอุปจาระต่างกับเธอนั้นต้องปาจิตตีทุกทุกประโยคเลยสมุทฐานก็สามมิณาทางสมุทฐานกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญามิโมกสจิตกะเป็นปันนัติวชะกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มีจิตสามเวทนาสามต่อไปในการตะกะสิกขาบทที่สิบความว่าแม้สามเนนมีทิฏฐิผิด กล่าวตู่พระพุทธเจ้าดังในอริธานสิกขาบทก่อนพิกตุทั้งหลายผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงแสดงโทษการมคุณห้ามเสียสองครั้งสามครั้งถ้าเธอสละทิฐินั้นเสียเป็นการดีถ้าเธอไม่สละซสพึงทำนาสนะเธอสียด้วยคำว่าอัชะตะเทเ ต, ตอโุโสถมุตเดสะนาเจวโตคสวาสทอาปิสิตตะโบ ยามปีจันเยสมโนเดสาและพันตีที่กู้หีสัธิงเดวีราตติระตังสาสัยยังสาติเตนาทีเจราติเรวินาสาติให้ยิ้ายนะก็คือขับไล่นั่นเองดูก่อนสมนัมโุเทศภูมิอายุตั้งแต่วันนี้ไปทัศยาอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าเป็นศาสนาของเธอเลยสามเณรทั้งหลายอื่นย่อมได้ตอนนอนร่วมกับพิกุตสองสามคืนแม้อันใดแม้ความนอนร่วมกันนั้นย่อมไม่มีแต่เธอ เธอจงไปเสียเธอเจ้าคนชั่วจงชิดผายเสียเธอก็ขับไล่ให้ชิดผายดังนี้ที่ยงจิใจรู้อยู่ว่าสามเณรอันทรงให้ชิดผายดังนี้แล้วและเกลี้ยกล่อมคือให้บริหารหรือว่าสอนทําให้ก r e a ให้อุปทานตนยินดีรับจุนและไม้สีฟันเป็นต้นหรือทําสัมโภคาทั้งสองก็คือทั้งอามิสมสมโภคาสมโภคด้วยอามิสหรือว่าธรรมะสำโภคาสมโภคด้วยธรรม และร่วมสาสิ ย, ยะนอนร่วมกันกับสามเณรนั้นดังกล่าวแล้วในสิทธาบทก่อนต้องปาจิตติทุกๆประโยคเลยสมุทฐานก็เหมือนกับอริฏฐาสิทธาบทก็คือเป็นสมุทฐานริกสมนุปภาพสมุทฐานไม่สละทิฏฐิเกิดจใกากการวาจาจิตนะสมุทฐานเดียวเป็นอกิรยิย ญ, ญาณยวิโมกเป็นสาจิตกักะแล้วก็เป็นโลกวัชชะกายกรรมะจีกรรมอกุตรจิต เป็นทุกขเวทนาเกิดจากความไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมสละทิฏฐิไปกินร่วมนอนร่วมกับสาเณรผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ก็อาบัตตาจิตตีอันนี้ก็จบสิกขาบทที่สิบในวักที่เจ็ดชื่อว่าสั ป, ปานวะกวักที่แปดเป็นธรรมิการวักก็ไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันก็ขอให้ท่านสัฆ์หลายเจริญด้วยสินธรรมัททิปัญญาแล้วก็อบรมไตรสิตขากระทากิจในพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะมีกิจอยู่สองอย่าง ก็คือคันถธุระอย่างหนึ่งการวิปัสนาธุระอย่างหนึ่ ง, ก, ง, งก็ขอให้ถ้าไม่ได้สันธุระไม่ได้ตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้สืบทอดวิถศาสนาอย่างน้อยก็ทรงจําแนวทางการปฏิบัติโดยการศึกษาปริยัตินั้นแล้วก็น้อมนามาปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุปฏิเวทเป็นการทําให้ศาสนาดํารงมั่นอยู่เหมือนกันก็ขอให้เจริญในกุศลธรรมแล้วก็เจริญในพระพุทธศาสนานี้จนกว่าจะทำตนให้พ้นจากทุกสาธุ สาธุสาธุ